อยู่ที่ว่าเราจะชั่งน้ำหนักว่าพาระอันไหนสาคัญกว่าถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปก่อนที่น่าเป็นเราจะทำองไร <c oughs> ก็ต้องมีคนเห่นดูแลอยู่จนได้แต่อย่างว่าถ้าเรายังไม่พร้อมมันก็ไปไม่ได้เลยมันก็เป็นอยู่ที่ความพร้อมของเราด้วยถ้าเรายังไม่พร้อม เราก็จะไปไม่ได้พราะใจของเราจะยังมีความผูกพันยังมีความห่วงความวิตกกังวลไปก็ไปไปก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้าได้อยู่ดีอันนี้ไม่ได้พูดถึงใครโดยตรงแต่ละคนก็ต้องใช้วิจารณญาณของตนเอง ช่างน้หนักดูดูทั้งความจำเป็นมากน้อยดูทั้งพลังของเราถ้าเราไปแล้วเราก็ปฏิบัติไม่ได้ก็ยังไม่ต้องไปก็ได้เราก็ปฏิบัติที่ที่เราอยู่ไปทำาพระไปพร้อมๆกันก็ยั ง, ยงทำได้ถือศีลแปดก็ยังได้ภาวนาะทั้งวันก็ยั ง, ยงได้อยู่ กลจะอ้างภาร ะ, ะนี้แล้วก็ไปทำภาร ะ, ะอื่นแทนถ้าภาร ะ, ะนี้มันก็ไม่มปปัญหาอะไรเลี้ยงอาหารเช้าเย็นกลางวันสามมื้อระว่างนั้นก็มีเวลาที่จะภาวนาได้เต็มที่อยู่ดี <Yeah. S 1> แต่มันไม่ใช่ภาร ะ, ะนี้เดียวเดี๋ยวมันมีภาร ะ, ะอื่นแทน ม, มาด้วยอย่างไรจะแบกภาร ะ, ะนี้แล้วก็ขอแบกภาร ะ, ะอื่นแทนไปด้วย มันเป็นอย่างนั้นถ้าภาระของแม่อย่างเดียวพระเป็นพระก็ดูแลได้เพราะพะุทธเจ้าทรงอนุญาตให้นำอาหารวินิจบายมาแบ่งให้บิดามารดาได้ก็เอาไปบวชก็ได้เอาไปอยู่วัดก็ได้หลวงตาท่านก็เอาโยมแม่ท่านบวชทีแล้วก็เอาไปอยู่ที่วัดนี่ก็เป็นภาระเหมือนกัน ท่านก็ทำภาระง่ายทั้งสองส่วนภารกของท่านท่านก็ทำแต่ท่านก็ทําภาระของท่านให้เสร็จก่อนลงตาก่อนที่จะมาพาแม่ไปบวชท่านท่านท่านปฏิบัติจนท่านสําเร็จก่อนพอท่านสําเร็จแล้วท่านถึงมาโปรดโยมมาดาอาไปบวชแล้วก็ไปอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีอยู่รษานึ่ ด้วยสองพรรษาทำไม่ได้หลัง <c oughs> จากนั้นก็กลับมาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดสร้างวัดป่าบ้านตาดตั้แต่ปี2590 ก, กว่าแล้วปี9ปี93ปี92เป็นหลวงปู่มั่นท่านนาาอนนะครับต้นปี93ก็ทำเสร ปี93ท่านเคยไปจำพรรษาครั้งสุดท้ายที่ที่บ้านผือแล้ว93 98, ถึงปี94ถึง98ท่านไปอยู่ที่คุ้ยทรายอยู่ใบ้านของของคุณแ ม, ม่ชีแก้วแล้ว98แล้ว99นี่นก็ไ ป, ไปอยู่ที่จันทุ99ปอยู่ที่จันทบุรีแล้ว98นี่ยถ้าจำปีไม่ไม่ ไม่ได้แน่นอนแล้วที่ยามสงษาที่จันทกุลีพรรษาเนีเขากลับมาเรื่มตั้งที่วัดป่าบตรดาน่าจะเป็นปี99นะปีที่สร้างวัดป่าบรรดาขึ้นมาท่านก็อยู่ดูแลโปรดโยมใหท้ท่านมีโอกาสก็เข้าไปสอนธรรมะพุทธธรรมให้ท่านฟังอยู่ยางต่อเ น, นื่อง เรื่องอาหารการกินเรื่องยาอะไรก็ดูแลอย่างใกล้ชิดอันนี้ท่านได้ทําภาระรของท่านได้สดําเร็จลึกเรียบรอยนะตอนที่ท่านยังไม่สําเร็จท่านก็ไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับใครท่านก็ทุ่มเทเวลาให้กับการปฏิบัติกับการศึกษาศึกษาได้การเรียนสารประโยชน์แล้วก็หลังจากนั้นก็ออกปฏิบัติ ภาษาแรกไปจํำภาษาอยู่ที่จังเภจั ก, กราชหลังจากนั้นก็ติดตามหลวงปู่มั่นไปพบที่บ้านผือที่สกนลคนครได้อยู่กับหลวงปู่มั่นประมาณ9ค้ารษาด้ยกันอยู่แปดพรรษาจานหลวงปู่มั่นท่านจากไปแล้วท่านก็สําเร็จหลังจากนั้นไม่นานท่านก็สําเร็จงานท่าน ตอนนั้นได้กระทำไดที่แบกพราระให้กับผู้อื่นภาระของผู้อื่นคืออบรมสั่งสลูกศิษย์ลูกหาพราะเองเบื้องต้นี้ทานจะพุ่งไปที่พระเองเป็นหลักแล้วพระเองมาอบรมสั่งสราต้องแต่นูนปุรีไหมน้องปุรีท่านก็บวชวันที่วัน วันเผาศพหวปู่วันปี๙๓น้องปู่เลยแล้วก็มีกูบาอาจารย์รุ่นก็ติดตามศึกษากับท่านหลวงปู่เล็กหปูบุญเล็กหลปู่เพียงอาจารย์สิงห์ทองอาจารย์สุพัฒนคุณแม่คุณแมชีแก้วกุูบาอาจารย์ลูกศิษย์รุ่นแรกของหลวงตาไปบุกเบวตากันตาด้วยกัน หลังจากนั้นท่านก็ย้ายย้ายกันไปตั้งสํานักของท่านแล้วก็มีพาะเดนดูนหลังก็ไปหลัข้าไปตามระดับจนถึงวาระสุดท้ายของท่านท่านอบรมพระเดินมาตลอดแต่ช่วงระยะหลังๆก็เรมมออิ่มสงเคราะห์ญาติโยมมากขึ้นเมื่อก่อนนี้ท่านได้รับญาติโยมให้อยู่ในวัดมากให้ยอยู่ได้ทีละคนสองคน ท่านต้องการความสมุกเวลาใครไป้ายาอยู่ไปมักจะถูกท่านว่าพอถูกว่าก็จะเลืนเก้าไปกันก็จะมีแต่พาะนอยู่มัชเป็นเป็นหลักแต่พอครูบาจารย์องค์ต่างๆที่เอาวุโสกับท่านโวงรับไปยามโยงก็ขาดที่พึ่ง ท่านก็นเลยเม่ตาท่านก็นเลยเม่อยู่ยาไม่พูดมากไม่ว่างม า, ากยาังมีญาติโยมก็ไปอยู่ในวัดแล้วไปทําบุญกันอย่างต่อเนื่องจนถึงวันสุดท้ายที่ท่านจากออกไปเนี่แคือการทําภาละทั้งสองส่วนภาละส่วนแรกที่สําคัญที่สุดคือภาละของเราเองภาละที่จะทําให้จิตใจของเรา หลบพ้นจากการเาหตุวายตายเกิดอันนี้ต้องทุ่มเทเวลาเป็นที่เลยถึงจะทําได้สําเร็จถ้ามีภาระอย่างหนึ่งมาเกี่ยวข้องแล้วมันจะทําให้เดินช้าและอาจจะไม่สมําเร็จเพราะว่ามันไม่ต่อเนื่องคื่อพ่เรตตัญหานี้มันทํางานอย่างต่อเนื่อง แต่การปฏิบัติกำจัดกิเลตังหามไม่ได้ต่อเลยมันก็เหมือนว่าพอที่เราฟันมันพรุ่งนี้เราหยุดฟันเดี๋ยวมันก็ลืิดขึ้นมาใหม่แล้วไม่ฟันมันไปเรื่อยๆฟันจนกระทั่งไม่มีอะไรให้ฟันอย่างนั้นมันถึงจะหมดได้แะ่นัน้ถ้าศึกษาประวัติของผู้ที่บรรลุแต่ละพรอองค์แต่ละองค์นี่ท่านจะ ทุ่มเททุเเวลาชีวิตจิตใจไปอยู่ที่การปฏิบัติหมดเลยไม่ยุ่งเกี่ยวกับภารกิจอย่างอื่นเลยไม่เอาเรื่องงานภายนอกงานก่อสร้างงานบินบาตสังสวร์ยาวแต่งานภายในงานปลียบเว้ยเลินจงกรมนั่งสมาธิจันทิ์สติจันทรสมาธิจันทปัญญา จนมีจนมีดว ง, งตาเห็นธรรมเห็นตายรักเห็นอริยาศาศาสัจสนี่คือความรู้ที่เราต้องเห็นถ้าเราต้องการที่จะทำลายกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาผู้ที่เป็นผู้ที่หลอกให้จิตต้องไปเรียนว่ า, าตายเกิดถ้าเห็นตายรักเห็นอนิจจัทุกขังอนาตาเห็นอริยสัจ เห็นทุกสมุทยนี้ักก็จะสามารถดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้พอไม่มีความทุกของมันอยู่ภายในใจแล้วก็สบายไม่ต้องปติบัติดต่อไันไม่ต้องเดินจนกคมนั่งสมาธิไม่ต้องเจริญสติไม่ต้องพิจารณาตายรักพิจารณาอาศุพา พิจาราอริยสัจสีเพราะทำเหล่านี้เป็นเหมือนเครื่องมือหรือเป็นเหมือนยารักษาโรคถ้าหายจากโรคภาวย่ายเจ็บแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรับประทานยาต่อไปเมื่อไม่มีความทุกโหลืออยุปาในใจแล้วเาะตัดยา สามารถละสมุทัยที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้หมดไปแล้วปัญญาสามารถสอนใจให้ปล่อยวางให้ละตัณหาความอยากคือการละตัณหาวิภาวะภตัณหาและวิภาวะตัณหาได้หมดแล้วเมื่อไม่มีตัณหาอยู่ภายในใจแล้วก็ไม่มีความทุกข์ใจไม่มีภกชาที่จะปรากฏตามมาต่อไป เพราะสาเหตุห ร, อ, หรอต้นเหตุที่ทาให้จิตต้องไปเกิดใหม่นั้นมันถูกทำลายไปหมแล้วถ้าเหมือนถ้าไปก็เหมือนกับว่าไม่มีเฟื่องไม่มีเชื้ออยู่แล้วไปก็จะต้องดับไปถ้าเติมเชื่อเติมเฟื่องเข้าไปในกองไฟไฟนั้นก็จะลุกอยู่ต่อไปแต่ถ้าเราหยุดเติมเชื่อเฟื่องหยุดเติมเฟื่องเข้าไปในกองไฟ เมื่อไฟฟูงเชื้อไฟและฟูงที่อยู่ในกองไฟมันไหม้หมดแล้วมันก็จะไฟไปหนับความทุกข์ก็เป็นเหมือไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงก็คือตัณหาการว่ตัณหาวิปวะตัณหาภาวะตัณหาพอมีปัญญารู้ว่า ต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากปัญญาก็สอนใจให้หยุดอยากให้ละความอยากพอละความอยากไม่ทําตามความอยากความอยากก็หมดไปหมดความอยากก็หมดความทุกข์หมดการเวีว่าตายเกิดอันนี้แหละที่เป็นภาระของเรา ที่ไม่มีใครทำแทนเราได้แล้วก็เวลาที่เราจะมีทำงานแบบนี้ก็ไม่แน่นอนชีวิตของเรานี้มันไม่แน่นอนเราจะตายเมื่อไรไม่มีใครรู้แล้วก็พระพุทธศาสนาที่เราได้มีโอกาสมาพบในชาตินี้ ก็อาจจะเป็นครั้งเดียวในอีกหลายร้อยหลายแสนชาติถ้าเราไม่ได้ทําภารากิจของเราให้สาเร็จลุล่วงไปในชาตินี้กลับมาเกิดใหม่อีกแสนชาติก็อาจจะไม่ได้พบกับพระวิทยศ า, า, ส, าสนาถ้าไม่ได้พบกับพระวิทยศ า, ส, าสนาก็าจะต้องเร ว, ว่าตายเกิดไป ต่อให้สร้างบุญบารมีมาน้อยเพียงไหรก็ตามก็ชื่อกับการที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ไดนอกจากสาร้างบารมีอยมาอย่างโชคโจนในระดับของพระโพธิสัตว์เช่นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะไม่ต้องรอพบกับพระพุทธศาสนาแต่ก็ต้องรอให้บารมีที่ได้สะสมมานี้เต็ม การเปี่ยมสุงอมเต็มที่ถึงจะทําให้สามารถตัดสรุงเป็นพระอาหาจตังศาสนาสามพุทธเจ้าได้แต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและพบกับพระธรรมคาสอนก็ไม่จําเป็นที่จะต้องสะสมบุญบารมีมาอย่างโชคโชยอย่างที่พระเจ้าได้สอนได้สะสมมาและในฐานะของ พวกเราสว่วนใหญ่เนี่ก็คอองจะไม่มีวันที่จะสะสมบา ร, รมีแบบนั้นกันได้เช่นทานบา ร, รมีดูพระเวชสันนดรเป็นตัวอย่างนั่นละเป็นการสะสมบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์หรือวิทยาบา ร, รมีของพระมาหาชนะพระชนกพระ ม, ามาหาชนกพวกเรายัางไม่มี การสร้างบารมีในระดับนั้นถ้าเรายังไม่ทราบว่าในระดับนั้นเราไม่มีทางที่จะตัดสรูุเป็นต้นเจ้าได้ด้วยตนเองเราก็ต้องรอให้พบกับพระพุทธศาสนาซึ่งตอนนี้เราก็ได้พบแล้วแล้วก็อาจจะเป็นครั้งหนึ่งในหลายๆแสนแสนชาติด้วยกันที่ได้พบ ครั้สุดท้ายที่เราได้พบกับพระพุทธศาสนาอาจจะเป็นหลายแท้หลายแสนชาติก่อนเราเนี่ยเพิ่งมาพบอีกครัง้งหนึ่งแล้วถ้าเราตายจากโลงนี้ไปแล้ว <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าจะได้พบอีกเมื่ อ, อไรจะอีกหลายแสนชาติหรือเปล่าก็าาไม่รู้เราต่อให้เราสะสมบรารมีมากน้อยเพียงไรก็สู้ ก, กับการที่ได้พบก่อน พระพุทธศาสนาไม่ได้น่องจากว่าเราสะสมบางมีอย่างพระพุทธศาสนาท่านสะสมกันแล้ว mm hmm. เรานะเราควรจะทุ่งเทเวลาชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติเพื่อยุติการคิดว่าตายเกิดในชาตินี้จะดีกว่า เพราะว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดนานๆจะได้มีโอกาสอย่างนี้สักครั้งหนึ่งอย่าให้ภาร ะ, ะต่างๆมาเป็นอุปสรรคมาหลอกให้เราเห็นว่าเป็นภาร ะ, ะที่สำคัญถ้าเป็นภาร ะ, ะที่สำคัญจริงๆเราก็ยังปฏิบัติได้กลัวว่าจะ ใช้เป็นขออ้างสีมากกว่าเพื่อไม่ให้ปตุบัติถ้าเรายังภาวนาไม่ได้เราก็รักษาสีแปดไปก่อนรักษาสีแปดไม่ได้ก็รักษาสีห้าไปก่อนรักษาสีห้าไม่ได้ก็ทำบุให้ทานไปก่อนขอให้ทำอะไรให้มันเป็นกิจกลักษณะทำแบบทุ่มเทจริงๆจริงๆเต็ม อย่าทําเพียงแต่สักแต่ว่าเพีพอของตากของคอถ้าทําอย่างนี้แล้วก็จะไม่เจริญก้าวหนะ้าทําทางแล้วก็ทำเป็นที่เลยเงินทองทุกบาททุกสตางค์นี้อย่าให้มันั่วงไหลไปทางของกิเลสเป็นอานขาดอย่าปล่อยให้ไปทาการมวมัตถนาเพราวัตถนาวิภาวัตนาถ้าจะใช้เงินทองก็ใช้เพื่อ ยูแลภาระจำเป็นที่เราต้องดูแลเช่นบิด า, านดาอัต ภ, ภาพร่างกายของเราอันนี้ใช้ไปไม่เป็นไรถ้ามีเหลือก็เอาไปทำบุญสร้างทางกรรมีทำทางให้มากๆใจจะได้มีความเมตตาใจจะได้ละความกณีใจจะได้ชนะความโลภความอยากและเงินทอ ถ้าอยากได้เงินทองก็จะต้องเสียเวลากับการไปหาเงินทองก็จะไม่มีเวลามารักษาศีลปฏิบัติธรรมรักษาศีลแปดไม่ได้ว่าเวลาทํางานก็อ้างว่าต้องใช้แรงงานต้องเป็นข้าวเย็นแต่ถ้าเราถ้าเราไม่โลภอยากได้เงิน เราทำมาเก่์พอประมาณพอให้ได้ทรัพสมผิเพื่อมาดูแลภาระของเราเราก็จะมีเวลาเราก็จะมีกำลังที่จะรักษาศีนแบกได้เราไม่ทำงานทุ่มเทกับการทำงานเราจะทุ่มเทกับการรักษาศิแนแบกแทนเราเือการรักษาสินแบกนี่เป็นงานที่สาคัญ กว่างานหาเงินหาทองเพราะว่าเงินทองเราไม่ต้องการมากเกินไปอยู่แล้วเราไม่ต้องการจะร่ำรวยเราไม่ต้องการที่จะเอาเงินทองไปใช้กับความสุขของกิเรตตัหาเราจะเอาเงินทองมาใช้กับภาระที่จาเป็นเช่นดูแลพ่อแม่ดูแลร่างกายของเราดรือของคนที่เรายัางมีความรับผิดชอบอยู่ เาก็ดูแลไปตามความเหมาะสมซึ่งการดูแลสิ่งของ่านี้มันไม่ได้ใช้เงินมากมายเหมือนกับการใช้เงินไปตามความอยากของจิตวิญญาหาทำอานี้แล้วเราก็จะมีเวลามาภาวนาได้ อยู่ที่บ้านก็ได้เราก็ภาวานาที่ได้ก็ได้หาที่สักที่หนึ่งจัดห้องไว้สักห้องหนึ่งพอเราเสร็จภา ร, ระดูแลภาร ะ, ระของเราเราก็เข้าไปในห้องของเราปิดประตูะเขียนป้ายบอกว่าห้ามรบกวนะจะทำหน้าที่ของจิตใจ เดินโยกงนั่งสมาธิอยู่ได้เทนั้นควบคุมจิตใจไม่ให้คิดคุ้งซ่าให้จิตใจมันอยู่ในปัจจุบันเพราะจิตจะสงบได้ก็ต้องอยู่ในปัจจุบันถ้าเป็นการตีกอเราก็ต้องตีรูปให้มาอยู่ใกล้ๆปากหลุมกอดเราถึงจะสามารถตีเข้าไปในหลุมได้ รูปอยู่การจากหลวงเนี่ยจะไม่มีวันที่จะตีเข้าไปในหลวงได้การต้อนจิตด้วยสติก็คือให้ต้อนจิตให้อยู่ในปัจจุบันถ้าจิตอยู่ในปัจจุบันพอเวลาเรานั่งหลับตาโดยการพุทโธไม่นานจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ จะต้องฝึกสติ ก, ก่อน ต, ตอนตอนลูกคลอนี้ตอนจิตนี้ให้เข้ามาอยู่ที่ปากอุ่ต้องคอยลืจงจิตให้อยู่ในปัจจุบันอย่าให้ไปอดีตอย่าให้ไปอนาคตให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันพอเราว่างจากภาคราจิต ก, การงานต่างๆเราก็นั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมพุทโธ ไม่นานจิตก็จะเข้าสูขขส่ความสงบได้เพราะจิตนึงอยู่ที่ปากรอรงนั้นเพียงจะใช้พุทธโธเขียนเข้าไปทีสองทีมันก็มนกเข้าไปสติจึงสำคัญมากในบรรดาธรรมทั้งหลายนี้ไม่มีธรรมไดที่จะมีความสำคัญเท่ากับสติ พาสติเป็นผู้ทำให้ทำอันอื่นเกิดขึ้นมาได้เช่นสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีสติก่อนจิตต้องเป็นปัจจุบันตลอดเวลาต้องอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาอยู่กับพุโทโธไม่อยู่กับร่างกายเรียกว่าเป็นปัจจุบันถ้าอยู่กับเรื่องอื่นอยู่เรื่องที่กายตัว ใช่เราอยู่ตรงนี้แต่เราใจเราไปคิดถึงเรื่องที่กรุงเทพเรื่องที่นมนอกเมือง น, อนาเรื่องคนนั้นคนนี้อย่างนี้เรียกว่าเราอยู่ใกจจากปากหลวงเราอยู่ไม่เราไม่ได้อยู่ในปัจจุบันนั่นเอใจเราไปทั่วไปทั่วโลกไม่อยู่กับเนื้อกับตัวถ้าอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับร่างกายนี้ก็เรียกว่าอยู่ปัจจุบัน ถ้าเราเฝ้าดูร่างกายในทุกระยาบองการเคลื่อนไหวการทํางานของเราเรามีภา ร, ร ก, กิจ ด, ดูแลคนอื่นเราก็สามารถที่จะเจริญหรือปฏิบัตธรรมของเราไปควบคู่กันได้ด้วยการดึงจิตให้อยู่กับภา ร, ร ก, กิจการงานไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆให้คิดอยู่กับเรื่องที่กําลังทําอยู่เช่นเตรียมอาหารให้แม่นะ เตียงยาให้แม่อาบน้ำให้แม่นี่ทำอะไรให้แม่ให้พ่อก็อให้มีสติอยู่างงานที่เรากำลังทำอยู่พอเสร็จภารกิจแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเราก็ไปเข้าห้องของเรานั่งหลับตาแล้วก็ดึงลมหายใจก็ได้หรือบรกิกรรมพุทโธก็ได้ถ้าใจเราเป็นปัจจุบันแล้วมันไม่นานเดียวเดียวห้านาทีก็สมกได้ ที่นั่งแล้วมันไม่สงบเพราะว่ามันไม่เป็นปัจจุบันมันไม่อยู่กับที่มันไปนูน่นไปนี่ไปนั่นไปโ น, โน่นไม่อยู่กัลงอย่างต่อเ น, นื่องหรือไม่อยู่กับการบริกรรมพุทโธอย่างต่อเ น, นื่องถ้าเป็นลูกก๊อบมันกับกิง่งไปนู่นกิ้งไปนั่นไปซ้ายไปขวามันไม่เข้าไปในรูนี่คือความสําคัญของการเจริญสติเรา ต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยพอตื่นขึ้นมาสิ่งแรกคนจะทําก่อนเพื่อนก็คือตั้งสติบอกตัวเองว่าอย่าไปไหนนะให้อยู่ตรงนี้ให้อยู่กับร่างกายให้ออยู่กับพุทโธไม่ใช่พอตื่นขึ้นมาปั๊บก็ถูกตื่นหล่าไปแล้ววันนี้วันอะไรต้องไปเจอใครที่ไหน เวลาโอ๊ยไม่ทันแล้วต้องรีบแล้วทิ่ไปแล้วก็เตรียมตัวไปแล้วก็คิดเรื่องงานที่จะทําไปควบคู่กันไปอย่างนี้ทางโกเขาว่าเก่งเพราะทำงานได้สองอย่างพร้อมๆกันประหยัดเวลาแต่ทาทํารมเรี้กว่าไม่เก่งนียก็โง่ไม่ฉลาดเพราไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่มีสติสตังทำอะไรมักจะผิดพลาดได้ง่ายใจจะไม่สนุบใจจะวุ่นวายตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพอคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมันก็มีเรื่องอะไรต่างๆมาต่อเรื่องกันให้คิดไปวันทั้งวันก็เลยวุ่นวายกับเรื่อ ง, องของความคิดนี่คิดแล้วก็ฟุง้งซ่านขึ้นมามีตกกรรงังวล กับเนื่องที่ยังไม่เกิดด้วยกับเนื่องที่ช่วยทําอะไรก็ไม่ได้อยู่ดีไปวิตกกังวลยังไงมันก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดถ้าเราไม่สามารถที่จะไปยับยั้งมันได้คิดไปวิตกไปก็ทุกไปต่อไปสู้อยู่กับพุทธโธอยู่กับงานที่เรากำลังทําอยู่ในปัจจุบัน ทำเป็นไม่รู้ไม่ชีดีว่าเหมือนกับว่าไม่มีอะเกิดขึ้นใจว่างใจเย็นใจสบายพอไปถึงเหตุการณ์ก็ดูไปว่าทําอะไรได้หรือไม่ทําไม่ได้ก็ปล่อยมันไปทําได้ก็ทําไปใจก็เย็นตลอดเวลาทําไม่ได้ก็เย็นทําได้ก็เย็นเพราะเรารักษาใจมากกว่าอย่างอื่นนั่นเองสิ่งอื่นเราทําไปตาม ตากำลังตามเหตุตามปัจจัยทำได้ก็ดีทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถทาตามใจของเราเย็นใจเราสงบเพราะเราก็รู้ว่ามันยังไงมันก็ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดอยู่ดีเราก็ไม่ได้อยู่กับมันไปตลอดเวลาเราตายไปเราก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปแล้วเราไปวุ่นวายกับสิ่งต่างๆทาไม ทำไปตามกําลังทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทำทำใจอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำทำให้ทำเลยทําใจให้เย็นทําใจให้สบายทําใจให้รู้เฉยๆใช้ปัญญาคัดควรว่าทําได้มากน้อยเพียงไรก็ทําไปถ้าทาอย่างนี้แล้วรอบเราได้ว่า ใจของเราจะสงบได้เวลาว่างอยากจะนั่งทำสมาธิเมื่อไรก็ทำได้และเวลาใจสงบเข้าสู่สมาธิได้ใจก็จะมีความสุขมากมีความสุขมากกว่าเวลาที่ออกจากสมาธิจะรู้ว่าไม่มีอะไรในรอบนี้จะให้ความสุขเท่ากับความสงบนี้เลยก็จะเห็นคุณค่าของความสงบ อ, ออกจากสมาธิมาก็จะพยายามรักษาความสงบที่ได้จากสมาธิให้คงอยู่ต่อไปด้วยการนําเอาคําสอนของพระเจ้าที่ ส, สอนว่าความทุกข์เกิดจากความอยากถ้าไม่อยากจะทุกข์ถ้าอยากจะให้ใจสงบในความสุขต่อไปก็ต้องฝืนความอยากทุกยูบแบบความอยู่ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสในว า, ามตัตตา ความอยากมีอยากเป็นอยากได้สิ่งนร้นสิ่งนี้อยากทำเรื่องนั่นเรื่องนี้ไม่ต้องไปทำถ้าไม่มีความจำเป็นไม่ต้องไปทำถ้าทำาก็ไม่ได้ทำด้วยความอยากทตามความจำเป็นทำได้ก็ได้ทำไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้เนดูแลพ่อแม่ดูแลได้ก็ดูแลไปถ้าพ่อแม่จะตายก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เขาตายไป เราก็ทำดีที่สุดของเราไปท่านั้นเองแต่อย่าไปทำเพราะความอยากพออยากจะให้พ่อแม่หายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากไม่ให้พ่อแม่ตายเขาก็ไม่หายพอเขาจะตายนี้ก็วุ่นวายใจทุกข์ใจขึ้นม า, นมาถ้าเอาคำสอนเอาพระอริยสัจสีมาเป็นเป็นแนวทางของการดาเนินของการปฏิบัติเพื่อให้ใจ สงบมันก็จะสงบเราอยากไปอยากทำอะไรก็ทำไปได้แต่ทำไปตามเหตุตามผลตามความจาเป็นไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆแลก็คันม้าคันมือขึ้นมาแล้อยากจะทำนั่นทำนี่อะไรนั้นอยากไปทำทำแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ทมแล้วมันทำให้ใจเรากระสับกระส่ายกวนกระวายไม่สงบ ถาไมีอะไรทาก็นั่งสมาธิต่อไปหรือจเจริญปัญญาพิจรารณาสิ่งต่างๆว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเพื่อเราจะได้ไม่มีความอยากในสิ่งต่างๆเวลาเราอยากเราไม่เคยคิดว่าสิ่งที่เราอยากได้นะั้นมันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดเราไม่เคยคิดว่ามันไม่ได้เป็นของเรา เรามากักจะคิดว่าสิ่งที่เราอยากได้จะให้ความสุขกับเราจะอยู่กับเรากั็นนานๆจะเป็นของเราแต่พอเขาไม่เป็นเราก็เสียใจทุกจังที่หมาถ้าเรามีปัญญาคอยสอนอยู่เรื่อยๆ อ, อย่างนี้ <c oughs> ก็จะไม่อยากได้เลยเพราะว่าเรามีความสุขที่ดีกว่าอยู่แล้วเรื่องอะไไปเอาความสุขที่น้อยกว่ามา มาแลกเปลี่ยนทําไมรักษาความสุขที่ดีนี่ไว้เถอดรักษาความสงบต่อไปด้วยการฝืนความอยากต่างๆไม่ทําตามความอยากถ้ามีความสุขความสงบแล้วการละความอยากไม่ไม่ยากง่ายว่าพราะเรามีของดีก่อนแล้วพอเกเรจะมาหลอกให้เราเอาของไม่ดีมาแลกกับเราเราจะไปแลกกับมันทำไมเรามีทองคํา คนก็เอาเองินมาขอแรกนี้เราจะขอแรกของเขาทําไมเรามีของดีกว่าแล้วเรามีรถเ ก, ก๋งคนเ็้าวรถกระบะมาแรกเราจะไปแรกทําไมเรามีโรลส์รอยเราจะไปแรกกับรถเบนซ์ทำไมตอนนี้ปัญหาคือเราไม่มีเราไม่มีก็ใครให้เะไรมาก็เอาเลยแรกเลยให้รถกระบะก็เอาให้รถจักรยานก็เอา ให้รถบอร์ไซ์ก็เอาเพราะเราไม่มีอะไรแต่เราไม่รู้ว่าเอามาแล้วก็กลารเป็นความทุกข์เพราะว่ามันสุขเดียวๆพอได้เสพได้สัมผัสสิ่งที่เราอยากจะเสพสัมผัสก็มีความสุขพอผ่านไปแล้วก็กลับมาเศร้าสร้อยหงอย่หงาเหมือนเดิมจนเวลา ออกไปเที่ยวนอกบ้านก็ดีออกดีใจพอกลับมาอยู่บ้านเหมือนเดิมก็เศร้าโศกเหมือนเหงาเมือนเดิมก็ต้องออกไปอยู่เรื่อยๆออกไปทีก็เหนื่อยเพราะเหนื่อยกายเหน่อยใจต้องดิ้นรนหาเงินทองมาใช้ใจ่ายกับการออกไปข้างนอกเวลากไปน้องถ้าไม่มีเงินทองก็ไปไม่ได้ ไม่มีเงินทองก็ต้องไปหางานทำค่อไปทำงานก่อทำงานก็เหนื่อยทุกข์อีกไปยุ่งยากกับเรื่องงานเรื่องการไปวุ่นวายกับเรื่องงานเรื่องการพอได้เงินมาก็ออกไปหาความสุขพอกลับมาบ้านก็สศร้าซ้อนหัวให้เหงาอีกเหมือนเดิมไม่มีวันจบไปความทุกข์ ไม่ไดับไปเพราะทําตามความอยากคามทุกจะดับไปเพราะเราฝืนความอยากนี่นเราทําใจของเราให้สงบดนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทําให้เกิดขึ้นก่อนก็คือสความสนุกเพื่อเราจะได้มีความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งหลายพอเรามีความสุขที่ดีกว่าแล้วต่อให้ช้างมาลากเราไปข้างนอกเราก็ไม่ไป ไปให้เหนื่อยทำไมอยู่บ้านนั่งสมาธิสบายกว่าถ้าออกไปข้างนอกก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวเวลาเตรียมตัวไปก i หลายวันหลายนาทีแล้วก็ต้องไปเหนื่อยกับการนั่งรถเดินทางต้องไปติดอยู่ในรถแล้วก็พอไปถึงไปทำอะไรก็ได้ความสุดเดียวๆเวสร็จแล้วก็ต้องกลับบ้าน ไม่คุ้มกับการที่จะต้องเสียเวลาเสียเสียอะไรไปช่วยอยู่บ้านดีกว่าอยู่บ้านทำใจให้สงบทำใจให้ชนะความอยากได้นะก็ใจก็จะสงบเย็นสบายถ้าทำอย่างาาานี้ไปเรื่อยๆต่อไปก็จะสามารถชนะความอยากทั้งหมดได้ อันนได้แล้วก็จะไม่มีความทุกข์เหลืออยู่ภายในใจพอเราไม่มีความทุกข์แล้วเราก็สามารถแบ่งความสุขที่เรามีอยู่นี้ให้แก่ผู้อื่นได้โดยการสอนโดยการบอกวิธีที่จะทําให้เขามีความสุขเพราะความสุขแบบนี้ทุกคนมีมีสิทธิ์ที่จะมีได้ ไม่จำเป็นจะต้องรวยถึงจะมีได้ความสุขทางทางตามหรือจังรื่องการนี้ต้องรวยต้องมีเงินมีทองถึงจะมีได้แต่ความสุขทางใจนี้มีได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือเป็นคนรวยเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นนัก บ, บวชหรือเป็นคราวาสเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ มีได้หมดทุกคนถ้าทำได้ถ้าปฏิบัติได้ถ้าทำตามที่พระเจ้าสรงสอนได้คือถ้าเจริญสติได้ถ้ารักษาสีตานได้ถ้าสละสมบัติเก้าของเงินทองสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใก็จะสามารถพบกับความสุขภายในใจนี้ได้ มีความสุขในใจแล้วก็จะไม่มีความทุกขนี่คือภาระหน้าที่ของเราที่เรามักจะมองข้ามไปลืมไปไปมองเห็นภาระของคนอื่นภาระของการดูแลผู้อื่นเป็นภาระที่สำคัญกว่าหรือภาระดูแลร่างกายสำคัญกว่าภาระดูแลจิตใจถ้าเราพิจกรณา หน้ามื or, เป็นหลังมื or. ให้เห็นว่าภาระดูลจิตใจนี้สำคัญกว่าภาระอย่างอื่นเราก็จะสามารถทําภาระของเราตาระของจิตใจนี้ให้สําเร็จรุ่งเรื่องไปได้อย่างรวดเร็วหลวงปูธเจ้าก็ส่งบางเพลงเพลงหกปีเท่านั้นหกปีพ่อองค์ก็ท่งบรรลุท่งสําเร็จภาระจิตของพระองค์ หลังจากนั้นอีก45ปีก็ทำภารกิจให้แก่ผู้ช่วยเหลือให้ผู้ได้พบกับความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์นับจำนวนเป็นหมื่นเป็นแสนในระยะเาเจ็ดเดือนแรกนี้ก็มีพระอหรหันต์ปรากฏขึ้นมาอย่างน้อยก็หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปนะเป็นเจ็ดเดือนแรกที่ดูถ้าเจ็เดือนพันกว่าปีหนึ่งก็ประมาณสองพันสี่สิห้าปีนี้คูณเข้าไป ก็เก้าหมื่นนแล้วประมาณเก้าหมื่นลูกน้อยอย่างนี้ทํานี้ไม่ดีกว่าเลยตายแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดเลี่ดูแลพ่อแม่เลี้ยงดูให้ยาให้อาหารไปตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดเหมือนเดิมแต่ถ้าเราเลียงดูสอนพ่อแม่ให้บรรลุได้ตายแล้วไม่ต้องกลับมาเกิด เช่นท่านสอนพระราชนิยดาสอนพระบานดาวเลี้ยงนบรรลุปเป็นท่าอานันตสอนลูกบรรลุปเป็นท่าอานันต์ขึ้นมาไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่ไปถ้ายังประทับอยู่ในพระราชวังวได้เป็นธรรมศึกสงครามได้เป็นพระมหาจากักรพรรดิก็จะช่วยให้ บรรดาญาติของท่านลูกของท่านภรรยาหรือแม่ของท่านอยู่อย่างสุขสบายแต่ตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กับการที่ไปบวชไปปฏิบัติได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วได้กลับมาสั่งสอนให้บรร ญ, ญ, ญาญาติทั้งหลายได้ปฏิบัติและบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ตายก็ไม่ต้องกลับมาเกิดผพรา ผลสองสองย่างนี้ผลแบบหลจะดีกว่าพระพุทธเจ้าทรงเลือกผลแบบหลังเพื่อส่องออกปฏิบัติก่อนทรงบรรลุก่อนเมื่อบรรลุแล้วก็นำเามามาสั่งสอนให้แก่ผู้ทียท่ยのののังไม่บรรลุได้บรรลุกันพอตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปดังนั้นขอให้นำช่างน้าหนักพิจารณาให้มาก ถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการทำภารกิจทั้งสองแบบนี้ว่าภารกิจแบบไหนมีผลที่ดีกว่าเหมือนกับการลงทุนซื้อหุ้นสองตัววินตัวหนึ่งให้ให้รายรายรับกลับมาเพียงร้อยลหนึ่งสองกับหุ้นอีกตัวหนึ่งให้ผลกลับมาร้อยละแปดสิบเก้าสินี่เราจะเลือกเอาหุ้นตัวไหน ผลใดภารกิจที่เราทามันก็มีผลประโยชน์ต่างกันภารกิจทางร่างกายกับภารกิจทางใจมีความต่างกันผลต่างกันภารกิจทางใจก็มีผลมากกว่าหลายสิบเท่าของภารกิจของทางร่างกายถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะ สามารถที่จะเลือกภารกิจที่ถูกต้องนะเหมือนที่พระพุทธเจ้าได้ส่งเลือกและพระสาวกทั้งหลายได้เลือกกันถ้าเราเลือกอีกทางหนึ่งเราก็จะไม่ได้เป็นพระสาวกกันเราก็จะกลับมาเวียนว่าตายไปอย่างนี้ต่อไปเอกนับไมตุวัชาก็ขอให้เอาไปพินิจพิจารณาดู และตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันว่าควรจะทําภารกิจอย่างไหนดีก็ขอพักไว้กินแค่นี้ก่อน การที่จะทําลายความคว้างของโมหะวิชาไม่ยากมันต้อเรามันจากเราอยู่ในอุ้งมันกิดยังไงมันก็มีช่องสกัดการไว้หมดคิดไปช่องนี้ก็พอ่อคิดไปช่องนี้ก็เมียคิดไปช่องนี้กบภรรยาช่องนี้ตาสามีช่องนี้ก็เงินทองัพสมบัติข้าวของคิดไปทางนี้ก็ ลูกต้องมีผู้มาสืบทอดสกุลม่ตไยแล้วถ้าคิดอย่างนี้มันก็มันก็ไม่มีทางออกกิเลสมันมันมันมันปิดกั้นไว้ทุกทางไม่มีทางที่จะออกจากวัตตะแห่งการเวียนว่างตายเกิดได้แต่ถ้าคิดว่าไม่เที่ยงทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย ทุกคนต้องเป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาเราทั้งหลายมีบุญเป็นมีกรรมเป็นของของตนจะทําบุญทํากรรมอนไดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของบุญของกรรมของเขาไปต้องคิดอี้ไม่เที่ยงเกิดแล้วตายแล้วนี้แล้วก็จะทํำยังไงเขาจะอยู่ต่อไปได้หรือปเปล่าด้วก็อาจจะดีใจใช่ไหมซ้ําไปไม่มีเรามาคอยเกกะขวางกันครับ ลองคิดอย่างนี้เลยมันถึงจะสู้กับกิเลสได้ต้องใช้ไตรับต้องมองว่าไม่เที่ยงต้องมองว่าคนเราทุกคนมีบุญมีกรรมเป็นของของตนจะเจริญหรือจะเสื่อมจะดีหรือจะชั่วอยู่ที่บุญกรรมของเขาเราเป็นส่วนย่อยแค่นั้นเองเราไปช่วยเขาได้เพียงนิดเดียวตัวที่จะ ช่วยเขาได้จริงๆก็คือบุญกรรมที่เขาทำมานั้นแหละแล้วก็มีบุญต่อให้เขาไปเกิดในสลามเขาก็กลายเป็นมาเสด็จทีขึ้นมาได้ไม่มีพ่อไม่มีแม่เป็นเด็กกาพร้าก็เป็นมาเสด็จีได้ถ้ามีบุญถ้ามีกรรมต่อให้ไปเกิดในวังมันก็เจไงได้สืบได้เนี่ยอ่ะนี่เรื่องของบุญกรรมเป็นอย่างนี้ คิดอย่างนี้สิคิดว่าถ้าเกิดเราตายไปในวันนี้แล้วคนอื่นก็จะทำยังไงคนที่เราเคยเลี้ยงดูเขาจะทํำยังไงเขาก็ต้องหาคนอื่นมาเลี้ยงดูแทนถ้าหาไม่ได้เขาก็ต้องเลี้ยงดูตัวเข้าไปเองถ้าเลี้ยงดูไม่ได้เ้าก็ต้องอดตายไปในที่สุดจะอดตายหรือว่าตายเพราะว่าคนอื่นเลี้ยงดูก็ตายเหมือนกัน ตอนมีคนมาเลี้ยงดูดีขนาดไหนเดี๋ยวถึงเวลาก็าต้องตายอยู่ดีคิดถึงความตายให้มากๆนะคิดถึงความตายอยู่เรื่อยว่าทุกคนในที่สุดก็ต้องตายกันไปหมดแล้วสิ่งต่างๆที่เราพยายามทํากันแทบเป็นแทบตายนี้มันก็บวชความหมายไปมันไม่เป็นประโยชน์ต่อไปมันไม่ได้ทำเกี่ยวกับทางจิตใจเราทําเกี่ยวกับทางร่างกาย การอยู่สุขสบายอยู่เป็นนานๆไม่เจ็บไข้ไร้นนป่วยมีการทํามีเงินใช้อันนี้มันเป็นความสุขช่วคทางมันไม่ติดต่อมันไม่ติดตามลงไปเราไม่มีความสัม่งยอม น, นี้มันก็เราก็ไม่ได้ขับทุน เ, เวลาตายไปก็ไปมือเปล่าเหมือนกันคนจนตายไปกับคนรวยตายใจก็เท่ากัน คืไม่ได้เอาทรัพย์สมบัติไปด้วยกันทั้งคู่แล้วเราเสียเวลากับการหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหาความสุข่างตาหูจมูกลิกายไปทําไมแต่ถ้าเราทำทานจิตใจนี้มันเราติดตัวไปได้หมดเลยเคยทําทานมากน้อยไปางานมันก็จะติดนิสัยไปเคยรักษาศีลมาได้บ้างน้อยเไปไหนมันก็จะติดนิสัยไป เคเจริญสติเคน้่งสมาธิเคยเจริญปัญญามามากน้อยเป็นไนมันก็จะติดเป็นนิสัยไปคนเราจะมีความแตกต่างกันเวลามาเกิดในแต่ละภพชาตินี้คนบางคนสามารถไปได้อย่างรวดเร็วคังเพศฟรคามทำครั้งสองครั้งก็บรรลุได้บรุธรรมได้บางคนฟังกันเป็นสิบครั้งบังแล้วฟังอีก ก็ทำอะไรไม่ได้บวนไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้ก็เพราะว่ายัางไม่ได้ทำมามากอพอพ่อโม่แต่ไปย่งกับการหาเงินหาทองหาความสุขทางร่างกายไปถ้าเป็นอย่างนี้กลับมาพบพระพุทธศาสนาอีกร้อยครัง้งพันครัง้งก็จะเป็นเหมือนอย่างนี้ก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเพราะเราไม่มี ไม่มีทา ม, มารองแล้วแต่ถ้าเราได้ได้สร้างธรรมะต่างๆขึ้นมาในใจเราแล้วต้องพดีต้องตายไปเสียก่อนพอมาพบกับพระพุทธศาสนาครั้ก็เหมือนกับเหมือนกับตาได้น้ำก็จะเฟ้อขึ้นมาทาที อยื่ต้นน้ำที่ได้น้ำแล้วก็จะออกบาบขึ้นมาทางทีเพราะมีต้นอยู่แล้วมีรากอยู่แล้วถ้าไม่มีต้นไม่มีรากต่อให้ผลตกหนักขนาดไหนก็ไม่มีไม่มีวันที่จะเจริญร่องงามขึ้นมาได้เห็นขอให้พยายามสร้างทำหน้ต่าง ให้มีไว ah, ้ในใจของเราเถอะก็จะไปกับเราเป็นของเราทานบามีเสียงบามีเป็นของเราสติสมาธิปัญญาเป็นของเราทำได้มากน้อยเท่าไหร่ก็จะติดไปกับเราคนบาคนจึงนั่งสมาธิได้ง่ายเพราะมีสติมาก บางคนนั่งสมาธินั่งมาเป็นปีๆนั่งแล้วก็ไม่เคยสงบสักครั้งพอไม่ได้สร้างสติมาในอดีตแล้วก็ไม่สร้างสติในปัจจุบันถ้าในอดีตไม่ได้สร้าง ส, สติมาในปัจจุบันเราก็สร้างใหม่ขึ้นมาได้ถ้ามีคนมาบอกเรกซสอนเราแล้วเร า, เราพยายามทำตาม ท, ที่ ที่เขาสอนที่เขาบอกเดี๋ยไม่นานก็มีสติขึ้นมาได้พอมีสติแล้วนั่งสมาธิก็จะสงบได้อย่างรวดเร็วพอมีสมาธิก็จะละตัณหาได้พอปัญญาบอกว่านี่คือความอยากอยากประหยัดนะอยากเราจะทุกข์ก็สามารถที่จะละได้หยุดได้ ก็ขอให้เราพยายามบำเพ็ญกันให้มากอย่าทาแต่ทานอย่างเดียวทานนี้เด่นชัดอยู่แล้วแต่ยังไม่มากพอ ท, ทําทีแค่นันหมดไปเลยจะได้ไม่ต้องทําหรอจะได้ไปหวดได้ค <c oughs> นที่เขาทาหมดเขาก็จะได้บวดได้เป็นทือศีลได้แต่รักษาศีลให้บอยสุดได้ ไปปิดวิเวกไปภาวานาได้ได้เรียนสติสมาธิปัญญาได้อยู่พ้นได้อันนี้เราติดอยู่ที่ขั้นทานนี่แะดีการทําทานดไไีไม่ไม่ไม่ว่าไม่ดีเพียงแต่ว่าอยากติดกับการทําทานทําทานเพื่อให้ขึ้นไปสูงขั้นรักษาสี่ขั้นออกบวนไปแค่ทำทานเพื่อจะได้ไม่ใช่ไม่ใช้เงินทางซื้อความสุขให้ ใ ห, ให้ปฏิบัติทำเพื่อให้จิตสงบเอาความสุขที่เกิดจากความสงบแทนแทนการเอาเงินไปซื้อความสุขความสุขที่ซื้อด้วยเงินี้มันไม่ดีมันเป็นความสุขร้อนเป็นความสุขที่ไม่เข้มแท้แน่นอนไม่ถาวรสุขเดียวเๆแต่ความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลปฏิบัติทำนี้เป็นความสุขที่แท้จริง ที่จะอยู่ในใจของเราไปได้ตลอดถ้าตับได้เรารักษาเสียงได้ภาวนาไนดะ้เราก็จะมีความสุขทางใจได้เสมอความสุขทางร่างกายทางเงินทองถ้าไม่มีเงินทองก็ไม่สามารถที่จะมีความสุขได้แล้วเรีนทำอย่าไปหาความสุขแบบนี้มีเงินเท่าไหร่ก็อย่าเอาไปใช้ซื้อความสุขเอาไปทําบุญให้หมจะได้ไม่ต้อง ไม่ต้องไปหาเงินจะได้มีเวลาไปบวชได้บางวันนี้ก็อ้างน้อต้องทํางานทําไปเพื่ออะไร<ม>ก็ทําไปเพื่อกิเลส ท, ท<ม>ลําไปทำไมลาวจากงานไปเพื่อ<ม>แล้นก็ไปว<ม>บวชจริงๆทำเงินทำไมทำไปมันก็ทํานี้ทำต่อไปเยอะอายุหกสิบก็ต้องหยุดทำํำเ <c oughs> ขาไม่ให้ทำต่อ ตอนนั้นจะเป็นหบวชเขาไปไม่ไปไม่ไห ว, วไม่มีกําลังแก่แล้วหน้าเสียดายนะโอกาสอันเดียมีชาตินี้ชาติเดียวมุ่งที่จะได้มีโอกาสอย่างนี้หรืนานๆจะเกิดโอกาสอย่างนี้เพินมาสักพรั้กลับได้ชักกลับไม่ช่วยโอกาสกลับปล่อยให้เลย ผ่านไปไม่เห็นคุณค่าของมันเหมือนกันที่ได้พรอยกุ้ยเขีย่ยกันนะะพอเจอพลอยก็เขียนทิ้งเขี่ยทิ้ง้าวแต่ตัวหนอยตัวไส้เดือนเราจะาความสุขจากการใช้เงินเป็นเหมือ น, นใส้เดือนความสุขที่ได้จากการภาวนานี้เป็นเหมือนเพชรพลอยกับไม่เอากันเขียดทิ้งเขี่ยทิ้ง ก็ต้องเวียนว่าตายเกิดต่อไปถ้าถ้าภาวนานก็ภายในชาตินี้ก็สามารถยุดติการเวียนไหวาตายเกิดได้ยังไม่สายเป็นไรเจ็ดปีทั้านั้นองอายุตามนี้เท่าไหร่แปดสินี้ก็ยังไม่สายแปดสิบถ้าปฏิบัติจริงจริงแปดสิบเจ็ก็บรรลุได้ เราปลูกตังค์ถ้าบวชตอนท้าอายุแก่หกสิบกว่าแล้วตังคก็มั่นยุได้ไม่ยากเลยเมื่อมีคนสอนนะเหมือนกับเรียนหนังสือพอมีมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปสมัครเรียนแล้วแล้วก็เรียนตามที่เขาสอนเราสี่ปีแล้วก็ได้ปริญญานละ้วถ้าไม่มีมหาวิทยาลัยเรียอยังไงก็ไมีมวันที่จะได้ปริญญา ไม่มีคนสอนตอนนี้เรามีมหาวิทยาลันต้ อ, ตอนรับเราเต็มที่ลไม่ต้องสอบเองทางรับทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าเด็กแค่ว่าผู้หญหมดเลยใครสมัครเท่าไหร่ก็รับเป็นยากมีสี่ขั้นสี่ระดับด้วยกันโสดาบันสกีาคามีอนณาคามีอะรวะ ปัญญาของมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาไม่ยอมสมัครกันเลยถ้าสมัครก็ไม่เก็บเงินท้านก็ไม่มีก็พูดได้เท่านี้แหละจะทำไม่ทำก็เลยรู้แล้วเราก็โฆษนาให้กับพุทธศาสนาได้เท่านี้ เราคงจะเป็นเซลล์งานที่ไม่ค่อยดีขายไม่ออกสินค้าแล้วก็มีหลายคนนยที่ก้ามาเวียดกันมาบวชเพราะศรัทธาทีนี้ก็มีพระที่มาบวชแล้วขึ้นมาอยู่บนเขาเพิม่มอีกสามคน ปีท k k ี่แล้วก็สองท่านการกับท่านบอยปีนี้ก็มีเพิ่มอีกสแล้วก็มีคาราวานอยู่ท่านเองก็จะจะบวชชีนะพอพอพอมีรายได้พอพออยู่ได้พอได้ทำไม่ใช่อยู่ก็ได้ ออถ้าได้ลุณยิ่งหวนนี่ว่งเราคุณจะได้หลายตังค์คุณยิ่งคุณนี่ถ้าหวานนี่วองเราได้หลายตังค์ได้การคาอมมิชชั่นเยอะเลย ไม้สงสารกันมากเลย่ยใ่ช่วยซื้อสินค้าหรือยไ <c oughs> อยากเชื่อว่าผมจะมีมาเรื่อยเรื่อยมเพิ่มมาเรื่อยเรื่อยาคงจะเตรียมตัวเตรียมใจกันพาปรับแผนกัน <c oughs> าาย์ก็มีีบช่เขาก็บ้านอยู่ใกล้ๆทันนี้ก็เป็นช่างทําของแล้วพอดีลูกชายเขามาบวชที่วัดนี่แล้วเขาได้ทำเท่ทําทําเขาก็เลยปรทําใจเขาคงจะมีพื้นฐานอยู่แล้วคงจะพอดีเขาก็อยากสามีเลือกกสามีแล้วก็เขาก็สะดวก เขาก็เชอบไหว้พักสวยอะไรนี้อยู่นะเขาพักที่บ้านเขาก็มีบ้านอยู่ ใ, ใกล้แถวนี้อ๋ออยู่บ้านบวชแล้วพัเขาก็จะพักที่บ้านสนะมัมมยนี้พักเขาอยู่ที่บ้านได้อยู่ที่บ้านดีกว่าเพราไปอยู่ที่บ้านนี่มันคนเมันมากแล้วบางทีเรื่องมากนอกจากว่าไปวัดที่เค่วดกฎขันจริงๆอย่างวัดหลวงตาสมัยก่อนถ้าไปอยู่แบบนี้น อย่าได้ภาวนาะเต็มที่อย่างนี้เขาก็อาศัยอยู่ที่บ้านแล้ววันไหนเขาอยากจะฟังเทศธรรมก็เ ข, เขาขึ้นมาฟัาทขอของอที่นีได้เอาเป้ารว่าเดี๋ยวเราออกมารับแขกทุกวันตอนบ่าย2องโมเ ข, อขอมาก็มาเติมม่มเต ม, มเตต์มันเติมธรรมะเริ่มกำลังใจ ความเทศความทำแล้วก็เกิดกำลังใจที่จะกลับไปปฏิบัติต่อเหมืนอนกำลังดวงตาอยู่กับดวงตาทั้นเราเรียกครั้งเองอบรมทุกห้าหกวันต่อครั้งเวลาฝังทั้งแต่ละครั้งก็มีกำลังใจกลับไปเดินจงกรมได้ต่อนั่งสมาธิได้ต่อยาวกวปกติแต่พอหลังจากนั้นผ่านไปสองสวันก็ค่อยหายไป ท่านก็ต้องเรียกมาโชว์หนูเรียกเราลงหนูให้กำลังใจงาน <c oughs> อยู่ใกล้คูบอาใจารย์นมีความสําคัญมากถ้าเรายังไม่สามารถที่จะตึ่งตัวเราเองได้อยู่กับครูบาอาจารย์นี่มีประโยชน์มาท่านจะให้กําลังใจให้ความรู้ต่างๆคอยคอยสกัดกิเลสคอยกั้นกิเลส คอเตือนเราว่าอย่าไปทางนี้ทางนี้เป็นทางของกิเลสอย่าไปติดกับของกิเลสถ้าไม่อยู่กับครูบาอาจารย์นี่บางทีความคิดของเรานีจะถูกกิเลสแท ร, รกเข้ามาโดยไม่รู้ตัวและทําให้เราเห็นผิดเห็นชอบไปได้เห็นโกงจักเป็นหดอกบัวไปได้แต่และความคิดคามทำของท่านอยู่ตลอดเวลานี้เราไม่มีวันที่จะแทรกเข้ามาได้ พ อ, อจะมีความคิดอต่นี้พอมาฟังทางปับออกรู้แล้วไม่ใช่ทางนะถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ก็ต้องอาศัยหนังสือของท่านนะอาศัยซีดีอาศัยเทศนาที่มันมันทึกเอาไว้ในหนังสือหรือในซีดีมาฟังอยู่เรื่อยเหมือกนการมีประโยชน์เหมือนกันเหมือนกับฟังจากปากของท่านเหมือนกันเหมือนกับท่านยังมีชีวิตอยู่ ต่างกันตรงที่ว่าเราไม่สามารถทําปัญหาถามปัญหาจากท่านไา้เลยแต่เราอยู่กับท่านก็ไม่เคยทําปัญหาแม้แต่ขั้งเดียวเพราะท่านจะแสดงอย่างละเอียดทีทั่วทุกขั้นตอนไม่มีอะไรที่จะทําให้เราสงสัยเลยปฏิบัติตามที่ท่านพูดก็จะได้เห็นตามที่ท่านพูดทุกอย่างแต่หนังสือของท่านที่มีคุณประโยชน์มากซีดีของท่านมีคุณประโยชน์มาก เอาไปพยายามฟังอยู่เรื่อยฟังอยู่ทุกวันฟังแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยถ้าฟังแล้วไม่ปฏิบัติก็ก็ไม่เป็นประโยน์อะตอนนี้ผลทำท่าจะมาแล้วทีนี้จะให้ประเคนของในกระเป่านี้ใครอยากจะรีโทนของเลยรก็เชิญ